ทีนี้ถามว่าเมื่อที่พักก็มีอยู่แค่สามที่เตียงสามที่ที่ททนอนที่เดินที่อะไรทุกอย่างมีสามที่หมดถ้ารูปที่สี่มาจะเป็นยังไงวุ่นวายกันเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนายทายาบาลไม่ต้องการความไม่ผาสุกแก่แก่ทั้งกุลบุตรทั้งสามก็เลยห้ามตั้งคำถามว่านายทายาบาลรู้อยู่จึงห้ามหรือไม่รู้อยู่จึงห้ามเขารู้ไหมว่าคนที่เขาห้ามห้ามใคร รู้ไหมว่าห้ามพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะนับตั้งแต่พระองค์ปฏิสนธิเกิดปาฏิหาริย์ในหมื่นจักรวาลตอนพระองค์ประสูติตรัสรู้ประกาศธรรมจักรมีหมื่นจักรวาลก็รู้ข่าวครา ว, าวกันแต่ปกติพวกชาวนาชาวปา่าพวกคนที่มัวแต่หมุกมุ่นอยู่กับการงานตัวเองพวกนี้ไม่สามารถกําหนดรู้ปาฏิหาริย์พิเศษรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า แต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ปกติใครก็ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าเช่นตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพิสุติดตามเป็นบริวารเป็นพันรูปไปไหนก็มีบริวารประมาณพันกว่ารูปเนี่ยนะเที่ยวแสดงอนุภาพด้วยอะไรฉับพันนรังสีที่เปล่งออกจากภวรกายแล้วก็อนุพยัญชนะ80มหาปริศลักษณะ32เพราะฉะนั้นถ้ามีการพูดอา้าวนั่นะพระพุทธเจ้ายางนี้เข้าใจไม่ยากใช่ แต่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าปกปิดพุทธานุภาพทั้งหมดไว้ด้วยกลีบจีวรนะครับว่าพระพุทธเจ้าปกปิดเพาะคนก็จะมองเห็นพระพองค์เหมือนกับพระบิสุรูปหนึ่งที่ทรงบาดและจีวรด้วยพระองค์เองพระบาดก็ถือเองจีวรก็ถือเองไปโดยเพศที่ไม่มีใครรู้จักเหมือนดวงจันทร์วันเพนที่ถูกเมฆปิดบังเอาไว้หมดเนี่ยนะเมฆกลีบปิดบังพระองค์แสดงลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายหลายครั้งเหมือนกัน เช่นตอนที่พระองค์ไปโปรดพระองค์ุลีมานเนี่ยนะสมณะอย่าไปทางนั้นสมณะอย่าไปทางนั้นพวกคนชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าสมณะนั้นคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปกปิดกายของพระองค์เดินไปเหมือนพระพิสุรูปหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่พระองค์ไปโปรดปกุศสติเนี่ยนะที่ไปที่โรงช่างหม้อไปถึงก็ไม่ได้โชว์ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็ปกปิดพุทธานุภาพอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ไปครั้งนี้ก็ปกปิดพุทธานุภาพเหมือนกัน ทีนี้เมื่อนายทวานบาลกล่าวกับพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยนะที่กล่าวบอกว่าสมณะอย่าเข้าไปในป่านี้เลยทีนี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่เป็นสภาพท่านอย่าได้กระทําความไม่ผาสุกแก่ทั้งสามนี้เลยท่านพระนุรุทธาก็บอกว่าท่านพระนุรุทธาได้ยินก็บอกนายทวานบาลว่าดูก่อนนายทายบาล ท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเรามาถึงแล้วอย่าห้ามพระพุทธเจ้านี่คือศาสดาของเรานะลาดับนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธะก็เข้าไปหาพระนันทิยะและพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วก็บอกว่า ออกมาเถิดท่านผู้มีอายุออกมาเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรท ธ, ธท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมีละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งรับบาทรับจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งปูอาสนะให้พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาท พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วก็ทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่บอกว่าพระนรุธะเนี่ยนะได้ยินเสียงของนายทวา a บานที่ห้ามห้ามพระพุทธเจ้า บอกว่าพระเถระฟังคําของนายทายบาลว่ามาสมณะคิดว่าเอ้เราอยู่สามคนไม่มีบรรพชิตคนอื่นเลยนายทายบาล น, นี้พูดเหมือนกับพูดกับบรรพชิตใครหนอออกจากที่พักกลางวันไปยืนที่ประตูมองดูทางก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจา้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็เปล่งพระสีฉับพันณรังสีออกจากพระวรกายพร้อมกับขณะที่พระเถระมองเห็นสองสว่างด้วยอนุพยัญชนะ แปสิบรุ่งเรืองเหมือนแผ่นทองที่คลี่ออกก็เรียกคลี่ม่านทองอ่ะนะผ่านุรุธาเถระก็คิดว่านายทายบาลคนนี้เนี่ยพูดกับบุคคลผู้เลิศในโลกก็ยังไม่รู้จักเนี่ยนะพูดกับใครอยู่ก็ยังไม่รู้อี ก, ก น, นะคล้ายกับพูดกับทิ่สุ ร, รูปหนึ่งพูดอย่างนี้เหมือนกับเหยียดมือจับอสสรพิษที่กําลังแผ่พังพ่านที่คอเนี่ยนะนะนี่กำลังจับก็เรียกว่าภาษาชาวเราเรียกว่าอะไรนะล้วงล้วงคอ ง, งูเห่าอ่ะนะครับสัมนวนคล้ายๆแบบนี้นะนะ ระวังเหอเนะวะพระพระพระพระอนุรทธะก็เลยบอกว่ามาอาวุโสทาย า, า, ายบาลุนะอย่าได้ห้ามอาวุโสนายทายาบาลอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยน่ยนะทีนี้ถามว่าทําไมพระอนุรุทธะเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วทําไมไม่รีบออกไปเลยอะรีบไปต้อนรับสิทําไมไม่ออกไปต้อนรับพระพุทธเจ้าล่ะบอกว่าพระอนุรุทธะมีความคิดว่าเราสามคนอยู่ด้วยความ พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นเราจะเอามิตรเป็นที่รักไปทําการต้อนรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่รักของเราฉันใดก็เป็นที่รักแม้ของสหายของเราฉันนั้นก็คือขณะเราก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพื <p> ่อนของเราก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถ้าเราจะไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเราก็ควรชวนเพื่อนไปด้วยเนี่ยนะเพราะอะไรเดี๋ยวไม้เรียก ว, ว่าความสามัคคีที่มีต่อกัน เลยเป็นผู้ทำการต้อนรับพร้อมด้วยปิยมิตรเหล่านั้นปิยะแปลว่าที่รักเนี่ยนะบอกว่าพร้อมด้วยมิตรอันเป็นที่รักพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปด้วยตนเองก่อนนะนะก็เลยไปชวนเพื่อนก่อนเนี่ยนะนะทั้งสามท่านก็ช่วยกันอะไรรถเอ้างล้างพระบาทถวายพระพุทธเจ้าใช่ พระเทราถือเอาน้ําสีเหมือนแก้วมณีใช้มือดุจตาข่ายคล้ายปฐมที่แย้มรถหลงที่หลังพระบาททั้งสองที่มีสีดุจทองคําขัดชําระพระพระบาทถามว่าทุลีแล้วเนี่ยนะฝุ่นละอองไม่เปื้อนพระพุทธเจ้าเลยนะนะฝุ่นละอองปกติแล้วไม่เปื้อนพระพุทธเจ้าทําไมต้องล้างถวายพระองคล์ล่ะทําไมต้องล้างบอกว่าหนึ่งเพื่อกำเพือกำหนดฤดูในพระวรากายอธิบายว่า ร่างกายเนี่ยนะถึงฝุ่นละอองไม่เปื้อนก็จริงแต่ถ้าได้อาบน้ําแล้วสดชื่นไหมเพราะฉะนั้นการล้างมือล้างเท้าเนี่ยทำให้ร่างกายสดชื่นสังเกตดูใครที่ชอบนั่งสมาธินะถ้าล้างเท้าเสร็จแล้วนั่งสมาธิกับไม่ล้างแล้วนั่งเนี่ยต่างกันเยอะนี่นะหรือบางคนที่สังเกตดูเขาเรียกว่าล้างเท้าเสร็จแล้วเข้านอนกับไม่ได้ล้างเทา้าเข้านอนก็ต่างกันเยอะเนี่ยนะเรียกว่าความสบายมันมีผลต่อร่างกายที่แตกต่างกันอันนี้เหตุผลที่ 1- นสอง ที่พระองค์ล้างพระบาทก็เพื่อยังจิตของพิสูจเหล่านั้นให้ร่าเริงจิตของพิสูจนเหล่านั้นเ อ, อิบอิ่มโสมนัสมีกับอย่าง เ, เรียกว่าปีติมีกําลังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงล้างพระบาทด้วยน้ําที่เรานํามาแล้วพระองค์ได้ใช้สอยน้ําที่เราได้นํามาทุกคนก็เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะว่าได้ได้อะไรได้ถวายน้ําแก่ บ, บุคคลที่ตนเลื่อมใสที่สุด นี้พระพุทธเจ้าก็ปฏิสันฐานเนี่ยนะเป็นการเริ่มปฏิสันฐานข้อ362พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระอนุรุทธะว่าดูก่อนอนุรุทธะนันทยะและกิมิละพวกเธอพออดทนได้หรือพวกเธอพอยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือพวกเธอไม่ลำบากด้วยบินทบาทหรือเป็นคำถามเนี่ยนะคำถามเกี่ยวกับเรื่องการความเป็นไปแห่งอัตภาพหรือถามถึงพิกขาจริยวัร อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามถึงพิกขาจารวัตว่าดูก่อนอนุรุทธะนันทยากิมีละพวกเธอพออดทนได้หรืออิริยาบถ ท, ทั้งสี่ของพวกเธอทนได้หรือพอเป็นไปได้หรือพวกเธอยังชีวิตให้เป็นไปสืบเนื่องไปได้โดยไม่ลำบากด้วยก้อนข้าวเบญทบาทหรือ พวกเธอหาก้อนข้าวหาอาหารได้ง่ายไหมพวกมนุษย์เห็นพวกเธอพร้อมเพียงกันแล้วสําคัญที่จะถวายข้าวอยากคูข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นที่ควรถวายไหมพวกเธอไม่ลําบากด้วยปัจจัยสามารถบําเพ็ญสมณะธรรมได้ต่อไปใช่ไหมเนี่ยนะเคคือบอกว่าผู้ที่ไม่ลําบากด้วยปัจจัยสี่ก็สามารถจะเจริญสมณะธรรมบาเพ็ญสมณะธรรมให้เป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็หิวแหมมันก็ บางวันก็บินทบาตได้มั่งไม่ได้บัางเนี่ยมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะมันก็เริ่มอะไรนะคิดแผนสองแล้วใช่ไหมย้ายไปอยู่ไหนดีแล้วเนี่ยเหมือนสุขุมอ่ะนะเอาก็ไปอยู่แล้วบินทบาตได้บ้างไม่ได้บ้างเขานึกอยากใส่เขาก็ใส่เขาไม่นึกเขาไม่อยากใสเขาก็ไม่ใส่เออน่ามันจะเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าเนี่ยนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่บินทบาตดีกว่าเป็นต้นมันผู้ที่เดือดร้อนกันดารในปัจจัยสี่ก็อันนั้นคนหิวกับคนอิ่มลองอ่านะสูนยดูเถอะ เคยส่วนมนตอนหิวกับตอนอิ่มคิดเหมือนกันปะนะตอนขาไปบินทบาทกับหลังจากกลับบินทบาทก็คิดไม่เหมือนกันก่อนอาหารกับหลังอาหารก็คิดไม่เหมือนกันเนี่ยนะเจริญพุทธคุณเนี่ยนะอิตปิโสพัควาตอนหิวกับตอนอิ่มก็ไม่เหมือนกันตอนเป็นโรคกระเพาะกับตอนหายโรคมันก็ไม่เหมือนกันพันพวกอาหารทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นสัตปาะที่สาคัญต่อร่างกายซึ่งพระอนุรุธะทั้งหลายก็ตอบว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์พออดทนได้พอยังชีวิตให้เป็นไปได้พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยบินทบาทเนี่ยนะในคําถามต่อไปอีกผมก็ถามว่าพวกเธอยังพร้อมเพียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนน้ํากับน้นํานมแลดูกันและกันด้วยจักสุอันเป็นที่รักอยู่หรือแปลว่าวยังมองด้วยสายตาแบบแม่มองลูกเนี่ยนะ มองกันแบบแปลว่าคนที่แบบทุกคนก็เหมือนกับว่าเป็นมิตรกันเป็นคนที่ยังจิตของแต่ละฝ่ายให้ให้อบอิ่มอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมพระนุรุท ธ, ธาก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้านมแลดูกันและกันด้วยจากสุอันเป็นที่รักอยู่ียว่ามองด้วยสายตาอันเป็นที่รักเนี่ยนะ ในอัธกทานหน้าสิบหบอกบรรทัดที่สามบอกว่าเมื่อจะทรงถามถึงสามมขีรถว่าดูก่อนอนุรุทธะนันทยะและกิมิละพวกเธอเป็นราชบันประชิตทั้งสามคนเนี่ยนะเป็นราชบันประชิตแปล ว, ว่าจะเป็นพระราชาอยู่แล้วออกบวชเนี่ยนะทั้งสามคนเนี่ยจะขึ้นครองราชอยู่แล้วออกบวชเนี่ยนะทั้งสามท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญมาก พันธะหากว่าพวกมนุษย์ไม่ถวายปัจจัยแก่พระระดับนี้แล้วจะไปถวายแกใครอย่างนั้นนะ่ะนะก็พวกเธอนั้นเนี่ยนะได้ฉันของอย่างนี้แล้วก็อยู่ยัดเยียดกันและการเหมือนลูกเนื้อหรือเคือว่าอยู่แบบพวกสิง์พวกข้างพวกสัตว์ป่าอยู่หรือว่าอยู่แบบคนที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเรียกว่าอยู่แบบสมณะหรือว่าอยู่แบบพวกคล้ายๆกับสัตว์เดรัจฉานสัสวเดรัจฉานถ้ามันอยู่มันอยู่กันยังไง เอา เ, าเอาลิงมาเลี้ยงสามตัวเนี่ยนะอยู่ด้วยกันลิงจะเป็นยังไงถ้าเลี้ยงสุนัขสามตัวอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงถ้าเลี้ยงช้างสามเชือกอยู่ด้วยกันถ้าม้าสามตัวโคสามตัวเป็นต้นอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเธอไม่ใช่อยู่กันแบบพวกลูกนกลู ก, ลกเนื้อแบบนั้นนะอยู่ด้วยสามะคีกันใช่ไหม